บุกท <Book> <62. S 3> ูหกสิบสองอรเรนดูการตั้งคำถามหนึ่งเระสนีลอดกัตมวกเรียนเนีชุกวดัมนักเรียนเรียนมากไหม วิทยาธิโลูเ์เอกกวกา่ากันนึกคุณตุนนาระไม่พวกเขาเรียนน้อยเลดูบอล ก, กวดดี ก, นนกันเองนึกคุณตารุถามอะไรกคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมมีรู้ตระชูมีอาไรผปกตินี่ปริศนาอะกันตุนตาระไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อยเลยดูตรชูยเนเน่อายนนี้ปรนสนญล์อดกนันนตอบกลับสมาธดาณมิบันดิช่วยตอบกลับด้วยค่ะได้เจซนสิสมาธดาณมิบันดิดิฉันตอบกลับเนโน่สมาธดาณวิสตานอ ทำงานปานิจเดมเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมไอ้เนี่ยปุ๊ปปานิจสุ น, นาระใช่ค่ะเขากำลังทำงานอยู่เอาโนมยิปุ๊ปปานิจสุ น, นรุมาลาบัดดมคุณจะมาไหม มีหรืองวสุนนาระค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี้เอาโน่มมุตันเดลล์เนี่ยวสุนนามูอยู่วุน่นระตคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะมีรุ่เบอร์ลินเนี่ยวุ่นตาระค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลินเอาโน่ นี่นบวร์ลินล่ะเนี่ยวุ่นท่าห